พระบัญญัติห1 1 2ัิก็พิณีใดไม่ติดตามระวติณีผู้บวชให้ตลอดสองปีต้องาบัตตจิตตีเรื่องพิกษณีหลายรูปจบ